ก่็นประโยช้คาวาจรท่างหลายสำหรับวันนี้ก็ขอปรารบเรื่องอนาปาโนสติกรรมฐานต่อไปสำหรับการจเจริญพระกรรมฐานท่านจะจับกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามเช่นอนาปาโนสติกรรมฐาน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 จงใช้กองนั้นให้ถึงอารหัตผลในเมื่อเราเริ่มทำสมถะกองใดจงใช้สมถะกองนั้นให้ถึงอารหัตผลคือว่าไม่ต้องไปเที่ยววิ่งไปหาที่โน่นวิ่งไปหาที่นี่ไอความดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตของเราทราบไว้แต่เพียงเท่านี้ การสร้างพราดที่ผ่านมาแล้วจงถือว่าเป็นครูคำว่าสรางพลาดในที่นี้รู้ว่าเราใช้เวลามากแต่ด้วยว่าผลแห่งการปฏิบัติมีผลน้อยที่เป็นอย่างนี้เพราะขาดความเข้มแข็งของจิตถ้าพูดตามภาษาชาวว่านเขาถือว่าไม่เอาจริงเอาจัง สักแต่ว่าทำสักแต่ว่าศึกษามีความเมาในตนมีความเมาในจิตเมาในราคะเมาในโลภเมาในความโลภเมาในความโกรธเมาในความหลงก็เพราะว่าเมาจึงไม่สามาัญจะทําจิตให้เบาบางจากกิเลสได้ เฮติ ม, มาอย่างเดียวก็คือขาดความเอาจริงเอาจังจานะสิบห้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติมารมีสิบฟังแล้วไม่สนใจอิทิบาสีฟังแล้วก็วางไว้าเพราะไม่มีการลงทุนได้ลงแต่กำลังใจอย่างเดียว ดังนั้นถ้ากำลังใจเข้มแข็งก็หมดเรื่องกันไม่มีอะไรหนะักสำหรับท่านที่มีอารมณ์ใจเข้มแข็งและก็เป็นคนมีความเฉลาดฉลาดในที่นี้ต้องหลีกจากกิเลสจงอย่าเอากิเลสมาเฉลาดจำพุทธพาสิไปว่าอัตนาโจทยั ต, ตาหนางัง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 จะหาความเร็วในชาตินี้ไม่ได้ก็ต้องเป็นคนคว้าหาความเร็วในชาติต่อๆกันมา <c oughs> ในเมื่อเราพบหรือไม่พบเราก็ในที่สุดแเรวก็ยกประโยชน์แก่คันห้าเพราะว่าเรามีขันห้าเราจะมีความเร่าร้อนถ้าเราไม่มีคันห้าเราไม่ติดอยู่ในขันห้าคือขันห้าของเราเราไม่ติดในคันห้าของคนอื่น เราไม่ติดในทรัพย์สินเนั่นหลายทั้งหมดในโลกเราจะมีทุกประจากที่ไหนอันดีสุดเรกาก็ไม่ยกโทษให้แก่ใจของเราว่าใจเรามันเลวใจเราชอบเกาะสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระถ้ากําลังใจของท่านทรงได้แบบนี้ความเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยากแต่ใช้เวลาไม่นาน กำลังใจของท่านต้องดูตัวอย่างเมื่อสมัยองค์สมเด็จพระ ส, มา ส, าสรรามาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่กองไม้มชีมาโพเตล่าวนั้นองค์สมเด็จพระพุทธกาวนทรงตัง้งอฏิฐานจิตว่าเลือดจะเนื้อก็เราจะเหือดแห้งล ง, ง, ง, งไปก็ตามทีชีวิตตินสีก็เราจะสลายไปก็ตาม ถ้าเราไม่สมเด็จเป็สัมมาสมัมโพธิญาณเทียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ความจริงน้ำประเทศไทยก็องค์สมเด็จประจนินทีตอนนี้ท่านต้องจำแล้วก็ทำตามด้วยอย่าทำตนเปน็นพระบุคคลสำหรับอนาปานุสติกรรมฐาน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 แต่ด้ว่าความยากความลำบากของผมดูมันว่ามันจะมีอยู่สามวันเท่านั้นในความรู้สึกในด้านก็สมถภาวนาเขาได้โปรดอย่าคิดว่าผมเป็นพระรหันต์ภายในสามวันนับแต่บทแล้วก็จงอย่าคิดว่าผมเป็นพระรหันต์เช่นแล้ว พ่อยคำใดๆที่เป็นคำสอนคำสอนขอให้ถือว่าเป็นคำสอนที่มาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วเราก็มาที่บายสู่กันฟังแต่ขอทุกท่านจงอย่าหลงตัวว่าเป็นผู้ทรงฌานเป็นพระอริยเจา้าความเป็นพระอริยเจา้าไม่ต้องประกาศเห็นหน на, ้าปั๊บรู้จารีชื่อก็รู้ว่าเป็นพระอริยเจา้า หากว่าท่านยังไม่เป็นแล้วก็หลงว่าเป็นนี่มันจะสวยไม่ต้องรักาาเขาความดีอยู่ที่เราเราไม่ได้บวชเพื่อการบูชาของชาวบา้านเราบวชเพื่อความเพื่ อ, วอวความดับไม่มีเชื้อมาพูดกันั้งด้านอนาปานุสติกรรมฐานที่มันมีความหนักหน่อยนั่นก็คือในตอนต้นที่เราเริ่มปฏิบัติ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 แนะนำให้เราใช้อนาปานุสติกรรมฐานก็เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งหรือว่าประหัตประหารอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตฉะนั้นต่อไปท่านจะเจริญสมถะกองไหนก็ตามจะเจริญภาวนากองไหนก็ตามหรือหรือว่าจะเจริญมิปัสฉนากองใดก็ตามเป็นอันว่า ส่วนนั้นๆกรรมฐานกองนั้นๆจะเว้นอนาปาลสติกรรมฐานไม่ได oui, ouais, ้อันดับแรกขอให้ทุกท่านทําอนาปาลสติกรรมฐานให้เข้าถึงชา้นสี่เอาเป็นจริงกันจังย่าสักแต่ว่าทําความคลุมไม่ได้เกิดขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าใหม่ๆเขาจะควบคุมกําลังใจให้มันทรงอยู่ ใจมันก็คงจะแยกไปโน่นแยกไปนี่คิดโน่นคิด น, น, ดนี่คิดป่วนเปลี่ยนเึกว่าอกริโนรอยอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจว่าเราจะไม่ดีถ้าบาังเอิญเราทำกาหนดรู้ลมให้ใจเขาออกควบอนุพุทธานุสติกรมฐานไปได้สักนาทีสักนาที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 มันไปเรารู้ตัวเราก็จับมันมาใหม่การทำอย่างนี้จงอย่าทำแต่เฉพาะเวลาที่ได้ยิงคำสอนจงใช้เวลาของท่านตลอดวันที่ทำงานอยู่พูดอยู่กินอยู่ขี้อยู่เยี่ยวอยู่เดินอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ใช้เวลาเป็นปกติ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 ตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนจริงๆอาการของอารมณนาฬานุสติกรรมฐานจะรู้สึกว่าไม่อยากแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านทั้งหลายจะฝึกไปผมขอแนะนำว่าควรจะตั้งเวลาทรงชานไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ในขณะที่จิตของท่านเข้าถึงฌานเริ่มนาจพุทธานุสติกรมมทานหรือว่านาปานุสติกรมมทานในตอนนี้ผมยะพูดจากพาะอารมณ์ก็นาปานุสติกรมมทานแต่ถ้าเวลาที่ท่านวางจากความพูดพูดคุย เวลาที่พอที่จะภาวนาได้ให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่าโทไปด้วยไม่ใช่ของแปลกเป็นของดีถ้าภาวนาไม่ได้ปากมันต้องปูดใจมันต้องคิดอย่างอื่นก็ใช้แต่นาปานุสติกรรมฐานนาปานุสติกรรมฐานจะทำให้ท่านสบายใจมีความสุขจงอย่าลืมว่าวันทั้งวัน ผ ม, มไม่ไบอกให้ท่านไปคิดเรื่องอื่นให้คิดถึงอนาปานุสติกามฐานหากว่าจะมีคําถามเข้ามาว่าถ้าจะทํางานถ้ากําหนดรู้อนาปานุสติกามธานขึ้นลมให้ใจเขาออกงานมีเสียเลยผมก็อตอบว่างานที่ท่านทํามันจะเป็นงานที่ดีที่สุด เพราว่าอนนาปานุสติกรรมธันเป็นอารมณ์ละเอียดเป็นอารมณ์ทรงสติสัมปชัญญะขณะที่เราจะคิดงานก็วางอานาปานุสติกรรมธานสักครู่หนึ่งใช้การคิดพิจารณาแต่ความจริงคนที่ร้องแล้วเขาไม่ทิ้อนนาปานุสติกรรมธันเพราะว่าขณะที่จับอนนาปาอยู่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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้นี้พูดว่าเวลาที่จะเริ่มไปขอท่านนันหลายตั้งเวลากําลังชารนไว้ด้วยนั่นก็คือหาเวลาตั้งไว้ด้วยการนับก็ดีให้ใจให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้าใา้ใจออกนับเป็นสองจะนับไปเลยก็ได้ถึงสิบ เนี่ยตั้งจิตด้วยว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบนี่จะไม่ไม่ยอมให้จิตของเราแลบไปสัวอารมณ์อื่นถ้ามันไปสัวอารมณ์อื่นเมื่อไร่เราจะตั้งต้นใหม่ทันทีแต่หากว่าถ้าถึงสิบแล้วจิตของเรายังดีมีความสุขเราก็ยังไม่เลิกตั้งต่อไปอีกสิบเมื่อถึงสิบได้ยังไม่ยังดีอยู่เราก็ยังไม่เลิก ต่อไปอีกสิทธในระยะใหม่ๆแค่สิบตน้นมันก็ไม่สามารถจะควบคุมได้แต่ก็เราก็ต้องนำน้ำใจข อ, ององค์สมเด็จไปจอมตรายมาใช่ว่าแค่สิบตน้นจิตเดียวงสั้นอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงดำริว่าเลือดและเนี้ขอของเราจะเกิดแห้งไปก็ตามทีชีวิตเตี้ยสีจะตายก็ตาม ถ้าเราไม่สาเร็จดรวสัมมาสัมโพธิญาณเพียง ใ, ใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้เราก็จงคิดว่าท่านหนึ่งทิงสิบนี้เอาดีไม่ได้จะให้มันตายไปเสียเลยจิจนิดเ่ิมตั้งต้นใหม่รักษารมใจให้เข้าถึงสิบอย่างนี้เป็นจุดหนึ่งแต่เมื่อนานไปถึงครึ่งเดือนแล้วถ้าว่ายังท่านยังทำแค่สิบผมก็ถือว่าเร็วเกินไป สำหรับผ้ากาสาวพัดหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงที่อยู่ในเขตนี้เมื่อถึงเวลาสิบห้าวันผ่านไปท่านนั้นหลายอย่างรักษาลมทั้งสิบก็คิดว่าไม่ควรจะอยู่ในที่นี้มันเลวเกินไปสนหรับเขตของพระพุทธศาสนาทั้งนี้เพราะอะไรพระผมทามาก่อนผมรู้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 ในเมื่อจิตมารับอารมณ์ที่เป็ น, สนสอกุศลทรงสติสมัชัญญะด้วยอนาปานุสติกรรมฐานและ้ออะไรมันจะเข้ามาอีกที่มันเข้ามาได้เพราะว่าพวกท่า น, ห, นหลายๆมีหน้าที่แต่เพียงฟังดีไม่ดีกำลังสอนในอย่างนี้ก็ไม่ฟังไปฟังวิทยุเสียบ้างไปนั่งคุยกันเสียบ้าง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 คนที่มีความหยาบในจิตหมดไปหรือจะกองทำที่ละเอียดจะดูว่าเขามีคนยความขายันแข็งแข็งในการงานจิตใจเขาไม่ได้ฟุ้งเั้นไปในด้านโลเกียร์ธรรมมีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะว่างานที่ทำนี่มันเป็นอามิสตุชา และการตั้งใจปฏิบัติงานโดยไม่คิดสิ่งจ้างแรงวันมันเป็นปฏิบัติบูชาเป็นจารคานุสติกรรมฐานเนืน้อที่เราเรียกว่าพุทธธรรชีวิตต่างยาวนิพพานะน์เรียกว่าการถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จตระสมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจึงกวา่าจะเข้าพระนิพพานเป็นอย่างนี้ที่ผู้อย่างนี้จะถือว่าไปยกยอปอปั้นหลอกใช้คน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 เนื่เขาทำกันอย่างนี้ผมก็ทำมาอย่างนี้ไม่เห็นว่างานทำลายพระกรรมทันเวลาหยิบงานขึ้นมาจิตใจก็ตั้งหน้าโดยเฉพาะในการงานที่เราทำสำหรับพระที่รักษาสมบัติของพระศาสนามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนกันนี่เป็นพุทธังชีวตางจริง ทำ ม, มังชีวิตต่างสังค์คังชีวิตต่างจริงเหมือนกันด้วยยอมฟรีความสุขส่วนตัวทำ ม, มารักษาทรัพย์สินของพระศาสนาเวลาท่านเดินไปเดินมาแล้วก็ใช้การเดินเป็นเขตื่องของการจงกรมอย่าปล่อยให้ใจมันเสียเวลาเวลานั่งอยู่ก็จับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติ ความจริงงานประเภทนี้ได้กำไรามากหนึ่งรักษาทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาในการแสดงความกตัญญูในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, นสน า, า, พ า, พาสองใช้โอกาสใช้สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาไปด้วยช่วยกำลังใจให้มีความสุขเข้าถึงอรารมณ์ฌานเป็นนั้นว่าสำหรับวันนี้ ก็ขอแนะนําท่านในส่วนที่จะใช้อนาปานุสติกามธานกับพุทธานุสติกามธานควบคู่กันไปแต่ว่างานเฉพาะนี้เป็นงานเฉพาะอนาปานุสติกรมธานคือจงพยายามใช้กําลังใจให้อยู่ในขอบเขตมีความเด็ดเดี่ยวทือว่าทําไม่ได้ให้มันตายไป พระอรหันต์นั่นหลายที่ท่านบังลุมากขนท่านก็เป็นคนมีสิบนิ้วเหมือนเราสองมือสิบนิ้วมือละห้านิ้ ว, วมีอาการสาริดสองเหมือนเราถ้าดูตามประวัติของท่านแล้วเรากับท่านไม่ต่างกันอะไรนะักเว้นเมื่อแต่ว่าเรามีกําลังใจเท่าท่านหรือไม่เท่านั้นโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเวลานอน ก่อนยันนอนจับลมหายใจเขาออกเป็นปกติจนกว่าจะหลับไปให้มันหลับบริการลมหายใจเขาออกเตนขึ้นมาใหม่ๆจะนลุกขึ้นมาหรือไม่ลุกไปตามเวลาเช้ามืดใช้อารมณ์ใจให้มันถึงที่สุดทุกวันนี่ความจริงผมสอนมาแล้วนะเรื่องนี้นะเตนวางท่านที่ผโผล่นะเป็นอันว่า รู้คงรู้ว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้สนใจอะไรเป็นหน้าเสียดายชีวิตของท่านที่ตายแล้วมันจะต้องลงนรกเราจะประหมายเเพื่อประโยชน์อะไรเห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ดีก็สิ่ไปมันก็หมดเรื่องก็ไหว้ก็เหมือนกันเห็นว่าเขกิดศาสนาไม่ดีก็ออกไปเสียก็หมดเรื่อง เดี๋มาอยู่ให้เปลืองที่เขาเมตสัสนาเพื่อประโยชน์อะไรเพียงแค่รักษากําลังใจเท่านี้ยังถือว่านําบาปมันก็ควรแล้วที่ต้องไปลากครองทำงานให้มันสบายตามอัิยาสัยของตนีการพูดอย่างนี้จะถือว่าด่าใครไม่ใช่เพราะต้องการให้ดีรักษากําลังใจนี่มันเสียอะไรบ้าง เวลาเดินไปวินับาตรก้าเท้าซ้ายให้ใจเข้าก้าเท้าขวาให้ใจออกทามันไปจงกว่าจะวินับาตรจะกลับแค่นี้จิตไม่ก็ทรงฌานแบบสบายสบายอย่าไปหาเวลาที่ไหน ในเรื่องที่ปรารบอะไรอย่างอื่นภายนอกจงรู้ตัวว่าเราบทมาเพื่อ น, นิพพานศ า, าสสัจจิกริยายะเอีตังกาสาวังครจตวาเราอธิฐาน่าขอรับผ้ากาสาวัตเพื่อทำให้แก้เสียงพนิพพานเฉะนั้นทางใดก็ตามที่เป็นปัจจัยของพนิพพานเราต้องทำให้ได้ เราต้องชนะใจจะลืมว่าวันเดียวสองวันมันไม่นชนะทา ม, มันไปทุกวันมันต้องถึงคำว่าชนะคำว่าไม่ชนะไม่มีถ้าเรามีความพยายามชาวนานเนี่ยก็ไถนาเลยควายตัวเดียวไถทันเดียวเนื่อที่สามสิบสี่สิบไร่เขาทำได้ก็ว่าเราใช้ลอยไถน้อยแต่ว่าไถบ่อยๆไม่ยอมหยุด ข้อนี้มีประมาชัชนใดแม้แต่นาปานุสติกธรรมฐานก็เช่นอยู่กันมันจะกลุ่มมายากับในการใดก็ตามทีเราถือว่ากิจนี้เป็นกิจที่เราจะต้องทํายอมตายไปซะสิถ้ามันทำไม่ได้ให้มันตายไปเดินไปเดินมาอย่าที่งอารมณนาปาลุสติ เดินไปก็ใช้เท้าไปทวัดก้าวไปกา้ายให้ใจออกก้าวไปขวาให้ใจเข้าเอาไปอย่างเงี้เรื่อยๆไปอย่าไปนัง่งไม่ไปนัง่งคิดอะไรถ้าท่านทำกันอย่างนี้จริงๆผมให้เวลาอย่างเร็วที่สุดเพียงแค่เดือนเดียวอารมณ์ชาในน า, นาฬิการุสติกรรมฐานเป็นของท่าน สำหรับที่จิตใจของท่านนันไล่เข้าสู่อารมณ์ฌานจะเป็นชัานไหนก็ตามชานก็ดีอุปจาระฌานก็ดีใจของท่านนันหล่เหล่านั้นมีแต่ความเรียบร้อยของจิตมีอารมณ์แนบนิทในด้แนบสนิทในได้านของกุศลการจะทำการจะพูดการจะคิดก็แต่ละบุคคลเต็มไปด้วย อารมณ์ที่เยือกเย็นปราศจากเวรปราศจากไัไม่เดือดร้อไนได้กิจการงานใดๆที่มันจะเ ก, กิดกับเราถ้ามันจะหมดไปจากสภาพของเร า, าเราสาหรับวันนี้ก็ขอเตือนกันไว้แค่เพียงเท่านี้สําหรับวันพรุ่งนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของชาย ในขณะที่ท่านนั่นหลายเอาจิตทั่เงก้าวเข้าไปสู่ระดับอนาปา น, าปานุสติธรรมฐานที่เป็นชายแล้วก็จะรู้ ว, ว่าแคเพราะอนาปานุสติธรรมฐานนี้ผมจะแนะนําท่านถึงอรหัตผลอย่าได้ทราบวา่าคําสอนขององค์สมเด็จพระทศพลแต่ตออและตอนที่เราปฏิบัติคนทํำไมเข้าถึงอรหันต์ได้ถูกจุกและต่อที่นี่ไปเขมรดาท่านนั่นหลาย